พุณกะยักษ์ได้ฟังดังนั้นจึงดำริว่าได้ยินว่าธรรมนี้จกเป็นธรรมที่บัณฑิตยังไม่เคยแสดงแกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเอาเถอะเราจะยกบัณฑิตขึ้นฟังสาธุนรธรรมเสียก่อนจึงยกพระมหาสัตว์ขึ้นเชิญให้นั่งบนยอดเขาพระศาสดาเมื่อจะประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสว่า ปุนกะยักษ์นั้นรีบยกวิทุระบันดิต์อมาตถู้ประเสริฐที่สุดของชาวกุรุรัฐวางลงบนยอดเขาเห็นวิทุระบันดิตผู้มีปัญญาไม่สามได้ความโล่งใจนั่งอยู่จึงถามว่าท่านอันข้าพเจ้ายกขึ้นจากเหวแล้ววันนี้ข้าพเจ้ามีกิจที่จะต้องทำด้วยหาไทัยของท่านท่านจงแสดงสาธุนรธรรมทั้งหมดนั้น ให้ปรากฏแก่ข้าพเจ้าในวันนี้บรรดาคําเหล่านั้นคําว่าได้ความโล่งใจอัศศัท์ถังได้แก่เป็นผู้ได้ความปลอดโปร่งใจคําว่าเห็นสเมขิยานะได้แก่แลเห็นแล้วข้อว่าสาธุนรธรรมสาธุนรัศธรรมมาได้แก่ธรรมดีของนรชนคือทํางาม พระมหาสัตย์จึงกล่าวว่าข้าพเจ้าอันท่านยกขึ้นจากเหวแล้วถ้าท่านมีกิจที่จะต้องทำด้วยหัตถ a ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะแสดงสาธุนรธรรมทั้งหมดนี้ให้ปรากฏแก่ท่านในวันนี้บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าอันท่านยกขึ้นสมุติโตตยสมิได้แก่ข้าพเจ้าเป็นผู้อันท่านยกขึ้นแล้ว ลำดับนั้นพระมหาสัตว์พูดกับปุณกะยักษ์นั้นว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีสรีระอันเศร้าหมองจะขออาบน้ำชำระกายเสียก่อนปุณกะยักษ์รับคำว่าดีละและไปนำน้ำสำหรับอาบมาในเวลาพระมหาสัตว์อาบน้ำเสร็จได้ให้ผ้าทิพย์ของหอมและดอกไม้ทิพย์เป็นต้นในเวลาประดับตกแต่งเสร็จแล้ว ได้ให้โพชนาหารทิพย์แก่พระมหาสัตว์พระมหาสัตว์บริโภคโพชนาหารแล้วให้ประดับยอดกาลาคีรีบันพศและตกแต่งอาสนะแล้วจึงนั่งบนอาสนะที่ปุนกะยักษ์ประดับแล้วเมื่อจะแสดงสาธุนรธรรมด้วยพุทธลีลาจึงได้กล่าวคาถาว่าแนมน์ท่านจงเดินไปตามทางที่ท่านเดินไปแล้วหนึ่ง จงอย่าเผาฝ่ามืออันชุ่มหนึ่งอย่าได้ประทุษร้ายในหมู่มิตรในการไหนหนึ่งอย่าตกอยู่ในอำนาจของหญิงอสตรีหนึ่งบรรดาคำเหล่านั้นข้อว่าจงอย่าเผาฝ่ามืออันชุ่มอันลันจะปานิงปริวัติชัยสุความว่าท่านจงอย่าเผาฝ่ามืออันเปียกชุ่มคืออย่าทำฝ่ามืออันเปียกชุ่มให้ไหม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 ข้าพเจ้าถามแล้วขอท่านจงบอกเนื้อความนั้นฝ่ายพระมหาสัตว์ได้แสดงสาธุนรธรรมแก่ปุณณะยักษ์ว่าผู้ใดพึงเชื้อเชิญคนที่ไม่คุ้นเคยกันไม่เคยพบเห็นกันแม้ด้วยอาสนะบุรุษพึงกระทำประโยชน์แก่บุคคล น, นั้นโดยแท้บัณฑิตทั้งหลายกล่าวบุรุษนั้นว่าชื่อว่าผู้เดินไปตามทางที่ท่านเดินแล้ว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 ชื่อว่าตกอยู่ในอำนาจของหญิงผู้ชื่อว่าอสตรีอย่างนี้ชื่อว่าประทุสร้ายมิตรอย่างนี้ท่านจงเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมจงละอาธรรมเสียบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าไม่คุ้นเคยกันอสันญะตังความว่าไม่เคยอยู่ร่วมกันแม้เพียงหนึ่งวันหรือสองวันคําว่า ผู้ใดพึงเชื้อเชิญแม้ด้วยอาสนะโยอาสนีนาปิความว่าผู้ใดพึงเชื้อเชิญผู้ไม่คุ้นเคยกันเห็นปานนี้แม้ด้วยอาสนะจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงการเชื้อเชิญด้วยข้าวและน้ำเป็นต้นเล่าคําว่าแกบุคคล น, นั้นโดยแท้ตักเสวะความว่าเป็นบุรุษย่อมทาประโยชน์ตอบแทนแกบุพการีบุคคล น, นั้นโดยแท้ คำว่าชื่อว่าผู้เดินไปตามทางที่ท่านเดินแล้วยาตานุยายีความว่าบัณฑิตทั้งหลายย่อมกล่าวอย่างนี้ว่าเป็นผู้เดินตามทางที่บุพการีบุคคลเดินไปแล้วก็ผู้กระทำก่อนชื่อว่าผู้เดินทางส่วนผู้กระทำภายหลังชื่อว่าผู้เดินตามแนเทวราชนี้ชื่อว่าสาธุนรธรรมข้อที่หนึ่ง คำว่าฝ่ามืออันชุ่มอันลันจะปานิงความว่าจริงอยู่บุคคลเผาเฉพาะเครื่องมือใช้สอยของตนที่นำพัตตาหารมาแต่ไกลชื่อว่าเป็นผู้ประทุษร้ายมิตรการไม่เผามืออันชุ่มนี้ชื่อว่าสาธุนรธรรมข้อที่สองด้วยประการชนี้คําว่าไม่ของต้นไม้นั้นณนะตัดสความว่า ไม่พึงทำลายกิ่งใบหน่อของต้นไม้นั้นเพราะเหตุไรเพราะผู้ประทุสร้ายต่อมิตรเป็นผู้ลามกดังนั้นผู้ทําชั่วแม้ต่อต้นไม้ที่ไม่มีจิตที่ได้บริโภคและอาศัยร่มเงาชื่อว่าเป็นผู้ประทุสร้ายต่อมิตรจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงผู้ทําชั่วต่อผู้เป็นมนุษย์ การไม่ประทุสร้ายต่อมิตรอย่างนี้ชื่อว่าสาธุนรธรรมข้อที่สามคว่าหญิงถึงกับยกให้ทัตชิติยาได้แก่พึงให้แก่หญิงคาว่าที่สามียกย่องอย่างดีสัมมาตายะความว่าหญิงที่สามียกย่องด้วยดีอย่างนี้ว่าเราเท่านั้นจะให้ความสุขแม้แก่หญิงนี้ ชายอื่นไม่เป็นเหมือนเราเลยหญิงนั้นย่อมปราถนาแต่เราเท่านั้นคําว่าได้โอกาสลัทธาขนังได้แก่ได้โอกาสแห่งการล่วมเกินคําว่าชื่อว่าอาสตรีอสตีนังได้แก่หญิงผู้ประกอบด้วยอสัตถธรรมดังนั้นการไม่กระทำความชั่วเพราะอาศัยมาตุคามนี้ชื่อว่า สาธุนรธรรมข้อที่สี่ข้อว่าท่านจงเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมโสธรรมมิโกโหหิความว่าแน่เทวราชท่านนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยสาธุนรธรรมสี่เหล่านี้ชื่อว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมแลพระมหาสัตว์แสดงสาธุนรธรรมแกปุณณะยักษ์ด้วยพุทธลีลาด้วยประการชนิษ ปุณกะยักษ์เมื่อฟังสาธุนรธรรมสี่ประการนั้นแล้วกําหนดใจว่าบัณฑิตขอชีวิตของตนในที่สี่สถานก็บัณฑิตนี้ได้กระทําสักการะเราที่ตนไม่คุ้นเคยในการก่อนเราได้เสวยยศใหญ่อยู่ในเรือนของบัณฑิตนั้นตลอดสามวันแต่เมื่อเราจะทํากรคำชั่วเช่นนี้ลงไปก็เพราะอาศัยมาตุคามจึงกระทํา หากว่าเราประทุษร้ายต่อบันดิตชื่อว่าประทุษร้ายมิตรแม้ในที่ทุกสถานทีเดียวจัดว่าไม่ประพฤตตามสาธุนรธรรมเราจะมีประโยชน์อะไรด้วยนางนาคมารวิกาเราจะเช็ดหน้าอันเต็มด้วยน้ำตาของชนชาวอินทปัตทนครให้เบิกบานนำบันดิตนี้ไปส่งโดยเร็วให้ลงที่โรงธรรมสภา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 วิสัชฌามหังตังได้แก่ข้าพเจ้าจะปล่อยท่านไปคําว่าตามปรารถนากามังได้แก่โดยส่วนเดียวคําว่าผู้จะฆ่าวทายังได้แก่ผู้จะสังหารคําว่าฆ่าแต่ท่านผู้มีปัญญาปัญญังได้แก่ฆ่าแต่ท่านผู้ทรงปัญญา ครั้งนั้นพระมหาสัตว์กล่าวกับอุญกะยักษ์นั้นว่าแน่ αι, มานพท่านอย่าเพิ่งส่งข้าพเจ้าไปเรือนก่อนเลยจงนำข้าพเจ้าไปยังนาคพิภพโน่นเถิดจึงกล่าวคาถาว่าแน่ αι, อุนกะยักษ์เชิญท่านนำข้าพเจ้าไปในสำนักของพ่อตาของท่านจงประพฤติประโยชน์ในข้าพเจ้าแม้ข้าพเจ้าก็อยากเห็นท้าวรุณ ผู้เป็นอธิบดีของนาคและวิมานของเท้าเธอซึ่งข้าพเจ้าไม่เคยเห็นบรรดาคำเหล่านั้นสับว่าเชิญหันทะเป็นนิบาตใช้ในอัดแห่งความคัดค้านข้อว่านำข้าพเจ้าไปในสำนักของพ่อตาของท่านจงประพฤติประโยชน์ในข้าพเจ้าสะสุรันติเกเ อ, อัดถังมยิจรัสสุความว่า จงนำข้าพเจ้าไปยังสำนักของพ่อตาของท่านจงประพฤติประโยชน์ในข้าพเจ้าคืออย่าทำประโยชน์นั้นให้เสียหายคำว่าทววุรุนผู้เป็นอธิบดีของนาคและวิมานนาคาทิปตีวิมานังความว่าข้าพเจ้าควรจะเห็นเทาวรุณผู้เป็นอธิบดีแห่งนาคและวิมานของเธอซึ่งข้าพเจ้าไม่เคยเห็น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 อมิตตะคามังความว่าเป็นที่อยู่ของศัตรูคือสมาคมของอมิตรลำดับนั้นพระมหาสัตว์กล่าวกับุณกะยักษ์นั้นว่าแม้ข้าพเจ้าก็รู้ชัดถึงสิ่งที่ผู้มีปัญญาไม่ควรเห็นแต่ข้าพเจ้าไม่มีความชั่วที่กระทาไว้ในที่ไหนๆเลยเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่รังเกียจต่อความตายอันจะมาถึงตน บรรดาคําเหล่านั้นคําว่าต่อความตายอันจะมาถึงตนมรณาคมายะความว่าต่อมรณะที่จะมาถึงตนแนเทวราชอีกอย่างหนึ่งท่านเป็นคนหยาดช้ากล้าแข็งถึงเพียงนี้ข้าพเจ้าเล้าลมด้วยธรรมกถาทำให้อ่อนโยนได้ดังท่านพูดกับข้าพเจ้าเมื่อครู่นี้เองว่าเราไม่เอานางนาคมานวิกาแล้ว เชิญท่านกลับไปเรือนของตนเถิดการทำพญานาคให้อ่อนโยนเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าท่านจงพาข้าพเจ้าไปในนาคพิภพนั้นเถิดอุณกะยักษ์ได้สะดับดังนั้นรับคําของพระมหาสัตว์ว่าดีละแล้วกล่าวคาถาว่าข้าแต่บัณฑิตเชิญเถิดท่านกลับข้าพเจ้ามาไปดูพิภพของนาคราช ซึ่งมีอนุภาพหาที่เปรียบนี้ได้เป็นสถานที่อยู่อันมีการฟอนรำขับร้องตามปรารถนาเหมือนนิลินยราชธานีอันเป็นที่ประทับอยู่ของท้าวเวสวันะนั้นนาคพิภพนั้นเป็นที่ไปเที่ยวเล่นเป็นหมู่หมู่ของนางนาคกัญญาตลอดวันและคืนเป็นนิดมีดอกไม้ดารดาดยูมากมายหลายชนิด สว่างสวัยดังสายฟ้าในอากาศบริบูรณ์ด้วยข้าวและน้ำเพียบพร้อมด้วยการฟ้อนรำขับร้องและการประโคมพร้อมมูลไปด้วยนางหน้ากัญญาที่ประดับประดาสวยงามงามสง่าไปด้วยผ้านุ่งผ้าหม่มและเครื่องประดับบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าหันทะจะเชิญเถิดนี้เป็นเพียงนิบาศ คำว่าพิภพฐานังได้แก่สถานที่เป็นที่ประทับของพญานาคคำว่านิรินยราชธานีนิรินยงได้แก่ราชธานีชื่อว่านิรินยาคำว่าเป็นที่ไปเป็นโมโมจาริตังคเนนะความว่าที่ประทับของพญานาคนั้นเป็นที่ที่มูนางนาคกัญญาเที่ยวไป คำว่าเที่ยวเล่นนิกีริตังความว่าอันเหล่านางหน้ากัญญาเที่ยวเล่นเป็นหมู่ตลอดวันและคืนเป็นนิดพระศาสดาเมื่อทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสพระคาถาว่าคุณกะยักษ์นั้นเชิญให้วิทุระบัณฑิตผู้ประเสริฐสุดของชาวกุรุรัตนั่งเหนืออาสนะข้างหลังได้พาวิทุระบัณฑิตผู้มีปัญญาไม่สาม เข้าไปสู่พบของนาคราชวิทุระบัณฑิตได้สถิตยอยู่ข้างหลังแห่งปุณกะยักษ์จนถึงพิพบของพญานาคซึ่งมีอนุภาพหาที่เปรียบไม่ได้ก็พญานาคหวังความสามัคคีจึงได้ตรัสทักทายปราศัยกะลุกเคยก่อนทีเดียวบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าปุณกะยักษ์นั้นโสปุณโกความว่า ภิกษุทั้งหลายปุณกกะยักษ์นั้นพรนนาน า, นาพิภพอย่างนี้แล้วจึงยกบัณฑิตผู้ประเสริฐขึ้นสู่มาอาชาในของตนนำไปสู่นาคพิภพคำว่าพพฐานังได้แก่สถานที่เป็นที่ประทับของพญานาคคำว่าข้างหลังแห่งปุณกกะยักษ์ปัจชะโตปุณกกัสะความว่า ได้ยินว่าอุนกักษ์ได้มีความคิดอย่างนี้ว่าถ้าว่าพญานาคทอดพระเนตรเห็นบัณฑิตแล้วจกมีพระหรุไทยเบิกบานนั่นเป็นการดีหากว่าเท้าเธอมีพระหรุไทยไม่เบิกบานเล่าเมื่อเท้าเธอไม่ทันทอดพระเนตรบัณฑิตนั้นเราจะยกบัณฑิตขึ้นสู่มาอาชาในไปเสียลำดับนั้นจึงพักเธอไว้ข้างหลัง ด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าข้างหลังแห่งปุณณะยักษ์คำว่าหวังความสามคัคคีสามัคคิเปกขิได้แก่เพ่งถึงความสามคัคคีบาลีว่าสามังอเปกขิดังนี้ก็มีอธิบายว่าพญานาคทอพระเนตรเห็นปุณณะยักษ์ลูกเคยของตนจึงได้ตรัสทักทายปราัยก่อนทีเดียว พญานาคตรัสเป็นคาถาว่าท่านได้ไปยังมนุษยโลกเที่ยวสแสวงหาดวงหัตไทยของบัณฑิตกลับมาถึงในนาคพิภพนี้ด้วยความสำเร็จหรือหรือว่าท่านได้พาเอาบัณฑิตผู้มีปัญญาไม่ตำสา ม, มาด้วยบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าด้วยความสำเร็จหรือกัจจิสมิทเทนะความว่า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 ยังตัวมิชสิดังนี้ก็มีคำว่าผู้จะแสดงภาษะมานังความว่าขอพระองค์จงทอดพระเนรวิตุระบัณฑิตนั้นผู้รักษาธรรมปรากฏในโลกผู้แสดงธรรมด้วยเสียงอันไพเราะเฉพาะพระพักในการบัดนี้ก็ธรรมดาว่าการสมาคมในที่เดียวกันกับสัตว์ปรุษคนดีทั้งหลาย ย่อมเป็นเหตุนำความสุขมาให้แลการาคิรีกันจบ